เหตุผลที่กล่าววิริยะต่อจากปัญญาอีกอันหนึ่งก็เพราะใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงค่อยทําความเพียรใคร่ครวนเสียก่อนแล้วค่อยทําถ้าเราทําก่อนแล้วค่อยคิดเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเดินทางไปก่อนแล้วไม่รู้จะไปไหนเหป็นกันะไม่คิดเออเรามาไปไหนเนี่ยอย่างเงี้ยนะไปก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังอย่างเงี้ยนะหรือทําอะไรซะก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังเนี่ยนะดีไหมไม่ดีใช่ไหมมันปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อใคร่ครวนเสียก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติ แล้วค่อยลงมือกระทำทันการใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยปรารพความเพียนเขาบอกว่านิสสัมมาการังเสยโยใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยทำดีกว่าเพราะถ้าทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ใคร่ครวนเอาลองพูดแบบไม่คิดดูเสียพูดอ ย, อย่างที่ตัวเองอยากก็พูดที่สุดเนี่ยนะเสร็จแล้วก็พูดพูดเสร็จแล้วพูดอยู่สักสามชั่วโมงด้วยกันอะไรจะเกิดขึ้นลงเลงถูกฟ้องเลยเนาะ น, นะะท่านจึงใคร่ครวนเสียก่อนแล้วค่อยพูดค่อยคิดค่อยทำค่อยอะไรทุกอย่างเนี่ยนะทีนี้เหตุผลหนึ่งที่กล่าวความเพียรต่อจากปัญญาก็คือเพราะความเพียรของผู้ใคร่ครวรทมย่อมนำมาซึ่งผลวิเศษหมายคือว่าการทำแบบมีเป้าหมายการทำแบบมีแผนผลออกมาก็ต่างจากไม่มีแผนเน่นะานคนที่ใคร่ครวนอย่างรอบคอบพิจารณาอย่างถี่ถ้วน อย่างเช่นคนให้ทานเนี่ยนะให้ทานแบบใครครวนเบ็ดเสร็จหมดแล้วค่อยให้กลับให้ไปสปะเลยนะซานเหนื อ, อนน ว, ว่างั้นแปลว่าให้ไปเรื่อยไม่รู้ก็ทไปเรื่อยทําไปเหมือนเบี้ยวหัวแตกก็เลยไม่รู้ทําเป็นชิ้นเป็นอันซากอย่างเลยนะก็เลยไม่ได้เลื่มอย่างที่ตัวเองต้องการนั้นการใคร้ครวนเสียก่อนแล้วค่อยทํานั้นจึงมีผลมากเมีย น, นิสงมากเพราะอย่าลืมว่าขยันเพียนที่นี้ความภาคเพียนเนี่ยเพียรทําอะไรก็เพียนให้ทานเพียนรักษาศีล เพียรเจริญเนคขมมะเพียรอบรมปัญญาเพียรเจริญคุณธรรมทั้งหลายนั่นแหละเพราะการใคร่ครววเสียก่อนแล้วค่อยค่อยประกอบความเพียร น, นั้นจึงนำมาซึ่งผลวิเศษอันนี้เหตุผลที่กล่าวความเพียรต่อจากปัญญาทีนี้ต่อไปทําไมจึงแสดงความอดทนต่อจากความเพียรแสดงขันติบารมีต่อจากวิริยะบารมีก็เพราะว่าความสําเร็จแห่งความอดกลั้นก็ด้วยความเพียร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 อดกลั้นอลังการนี้แปลว่าเครื่องประดับเครื่องตกแต่งะนะเครื่องอลังการก็คือเครื่องประดับประดาตกแต่งจริงอยู่ความอดกลั้นของผู้มีความเพียรย่อมงดงามเรียกว่าเอาไงนะทำไปบ่นไปทําจริงอะ่ะแต่ว่าบ่นเลือเกินเนี่ยนะไปโสอย่างนี้เรียกว่าว่าอะไรนะช่วยจริงอะ่ะแต่ช่วยไปบน่นไปบน่บนบ่นอยู่นั่นแหละกับทําแบบไม่บน่นไม่ปรีปากไม่อะไรทํำด้วยความใจยินอดทน ถามว่าสองอย่างนี้ใครงามกว่ากันช่วยเหมือนกันแต่ช่วยแบบบ่นเต็มทีแหละนะช่วยแบบคนไม่เต็มใจทําแบบแหมอิจเอือนมีข้อแม้สรารพัดอย่างแต่ก็ช่วยนะแต่ก็มีเหตุผลเยอะแยะไปหมดเลยน่าราคาญจะตายอย่างไงนะกับแบบ อ, อดทนเป็นต้นเนี่ยนะก็ต่างกันใช่ไหมพันคนที่มีความอดทนคนที่ภาคเพียรพยายามแล้วมีความอดทนเนี่ยเธอว่า งดงามก็ว่าย่อมเป็นความงามคยอว่าดูแล้วงามกล่าวถึงปัจจหานิมิตแล้วจึงกล่าวถึงสมถานิมิตวิริยะนี้เป็นปัจจหานิมิตเครื่องหมายแห่งความภาคเพียรพยายามส่วนขันติเป็นสมถานิมิตเครื่องหมายแห่งความอดทนเครื่องหมายแห่งความสงบระงับเนี่ยนะเพราะกล่าวถึงการละอุทจะและโทสะด้วยความเพียรยิ่ง จริงอยู่อุทธจาและโทสะละได้ด้วยความอดทนในการเพ่งธรรมคำว่าขันติเนี่ยนะขันติเนี่ยบางธรรมะนิชามขันติเนี่ยนะเรียกว่าอดทนในการเพ่งธรำคนที่ประกอบความเพียรเนี่ยนะประกอบความเพียรแล้วเพ่งพิจารณาด้วยความอดทนเนี่ยนะเพ่งพิจารณาเคยหมยครับว่าเพ่งตัวนั้นเรียกว่ า, อ, าอภิชาเหมือนกันแต่ว่าเพ่งด้วย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 สม่ำเสมอไม่ใช่กําเริบง่ายกําเริบบ่อยเพราะคนที่มีความอดทนนั้นสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะไม่ใช่ทําแบบกิ้งกาใช่ไหมคนที่ไม่มีความอดทนนี่จะทําอะไรแบบกิ้งกาทําแบบกิ้งกาไปไหนทำทำหยุดหยุดหยุดหยุดทำทำทำทำเลิเลิกเลิกเกทำทำเนี่ยนะอย่างค้าเรียนธรรมะเรียนเรียเลิกเลเลิกเลเรียนเก็แปลว่าอะไรติดๆดับดดับดติดตดอะไรคล้ายๆแบบนั้นเนี่ยนะมันก็คล้ายๆแบบนั้นแหะเรียกว่ารู้บ้งเดียว่าบางที ไปสลมหมดเลยนะเสร็จแล้วก็มาเรียนต่อก็ลืมหมดไอ้ที่เรียนที่แล้วก็จาไม่ได้ไที่เรียนใหม่ก็ไม่รู้เรื่องไปนต้นน่ยนะก็แสดงว่าไม่มีความอดทนรัะคนที่มีความอดทนสามารถทำอะไรได้อย่างต่อเนื่องระยะทางที่สูจนมาใช่ไหมการเวลาที่สูจจิตใจว่าแค่ไหนใช่ต่อไปบอกว่ากล่าวถึงความเป็นผู้ไม่มีตัณหาเพื่อการทำตอบในการปรารบ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 เหตุผลสุดท้ายที่แสดงขันติต่อจากความเพียรก็เพราะกล่าวถึงความอดกลั้นทุกข์ที่ผู้อื่นทําในการปรารบเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นจริงๆอ่ะช่วยเขาแต่เขาก็ทําให้เราเดือดร้อนนะช่วยเขาจนตัวเองเดือดร้อนเพราะถ้าช่วยเขาแล้วตัวเองเดือดร้อนก็ต้องอดทนนะเพราะว่าความอดทนนี้ถือว่าเป็นความสําคัญมากเลยนะอย่าคิดว่าเราแนะนําคนอื่นแล้วคนอื่นก็จะขอบคุณเราเสมอไปใช่ไหมพอแนะนําจบก็ด่ากลับอย่างเงี้เขามี ท่านอันนี้จะต้องอาจจะต้องอดทนนะนะท่านไอความอดทนเนี่ยทำเพื่อประโยชน์แต่สัตว์อื่นแต่ทีนี้ถ้าทํากับสัตว์หลายสัตว์ไม่ใช่สัตว์เดียวล่ะอย่างเขาเรียกว่าคิดง่ายๆถ้าพูดแบบพ่อแม่นะพ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยทาทุกอย่างเพื่อลูกแล้วถามมาลูกทําให้พ่อแม่สบายใจตลอดไหมไม่ก็ต้องมีความทุกข์ไอความทุกข์ที่ลูกทําให้เนี่ยอันนี้แหละพ่อแม่ต้องอดทนเป็นความอดทนของ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 ตัวเองก็เลยจับตัวเองเนี่ยมันจะได้ยาวพอดีจะได้ให้ให้ลิงเนี่ยช่วยเออจะได้วิ่งเออวิ่งข้ามตัวเองนั่นแหละไปที่มันมีลิงอยู่ตัวหนึง่งลิงกระว่าช่วยแต่ก่อนที่จะจากมนะัแกล้งก็ก่อนกระโดดกระทืบนี่ยนะกระโดดกระทืบกระทืบกระทึบกระทึบเกือบจะหลุดแล้วตัวเองก็วิ่งหนีจากไปเนี่ยนั่นแหละความทุกข์ที่สัตว์อื่นทําให้เนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างอีกเรื่องหนึ่งมห า, รรยายกรปปิชาดกเนี่ยนะเรื่องลิงเหมือนกั น, นช่วยชาวนาให้ออกจากป่าเนี่ยนะ พอช่วยเสร็จแม้ตัวเองเหนื่อยเต็มทีบอกช่วยดูแลให้หน่อยนะชาวนาก็บอกเออลิงก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็เลยเอาก้อนหินทุบหัวซะเลยเนี่ยนะเลือดอาบ พ, พ่วมเสร็จแล้วก็หนีออกไปชาวนาก็ร้องให้แล้วใครจะช่วยฉันออกจากป่าร้องให้ใหญ่ลิงก็โอเลือดอาบก็ชูนําออกไปจากป่าบอกนี่คน น, คนิคุคนี่ทางนี้ไปนะคนอักตันยูนี่ทางออกไปขอให้ไปดีมีสุขกันละกันเน่ยนะ ลักษณะนั้นท่นจะต้องมีความช่วยเหลือเขาแต่จริงๆจะต้องอดทนอย่างมากเลยนะท่านคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นนี่อยากคิดว่าไม่มีความอดทนอดมีความอดทนสูงมากถ้าขันติแตกเมื่อไหร่ก็จบเลยเนะเลิกเลยนะทีนี้มักดูสัจจะทําไมแสดงสัจจะต่อจากขันติแสดงสัจจะต่อจากขันติก็คือเพราะขันติเนี่ยอดทนอยู่ได้นานก็เพราะว่ามีสัจจะใช่ไหม ทนตามที่ตัวเองพูดเอาไว้แหมพูดไว้แล้วในไหนก็อุตส่าห์พูดไว้แล้วก็ทําให้มันเสร็จเธออะไรนะเพราะได้พูดไว้แล้วอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยมีความอดทนทนอยู่ได้ก็เพราะตามคําพูดพอเสร็จตามที่ตัวเองพูดเมื่อไหร่แล้วนะแม้แต่ก้าวเดียวก็ไม่ยอมหน่อยเดียวก็ไม่เอานะเพราะอะไรเพ่อบอกว่าสำเร็จตามที่ตัวเองพูดพราะน่ะบางคนที่อดทนอยู่ได้เนี่ยก็เพราะคําพูดแท้ๆเลยนะคำพูดผูกไว้เลยก็เลยทําให้เลิกไม่ได้ มันก็ที่ทนอยู่ได้นานยาวมากก็ตามอํานุภาพของสัจจะใครที่ตั้งสัจจะไว้นานมันจะทนได้นานตั้งสัจจะหมายคือว่าตั้งใจพูดเอาไวแ้แคบมันก็ทําอดทนแก่ลักษณะแคบแคบถ้าตั้งไว้ยาวมันก็จะอดทนได้อยาวพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทนได้เสียสงไข่แสนกับเพระพระองค์ตั้งสัจจะไว้ว่าเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยนะตั้งสัจจะว้ก็ทนทนอยู่ได้ก็เพราะสัจจะนี่แหละ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 พอคนอื่นสร้างความเสียหายก็เลยเลิกราไปเลยอันนี้ไม่ยอมเลิกราเพราะได้กล่าวไว้แล้วว่าจะต้องมีการช่วยอย่างแท้จริงอันนี้ด้วยอานาจของสัจจะเนี่ยนะสัจจะนั้นจึงมีคุณมากต่อขันติอีกเหตุผลหนึ่งที่แสดงสัจจะต่อจากขันติก็เพราะว่ากล่าวถึงความอดทนในการเพ่งธรรมคือความศูญของสัตว์แล้วกล่าวถึงสัจจะอันเป็นญาณเพิ่มพูนขันตินั้น อีกในจำนวนหนึ่งก็บอกว่าเห็นความว่างเปล่าจากสัตว์คือตัวธรรมานิชานคันติยานเนี่ยนะคำว่าขันติเนี่ยบางบางนัยยะนี่แปลว่าปัญญานะไม่ได้แปลว่าทนอดอดทนอย่างเดียวนะแต่หมายถึงปัญญาแปลว่าปัญญาคำว่าอดทนในการเพ่งธรรมนี่คือเป็นชื่อของปัญญาปัญญาที่เพ่งความว่างของสัตว์ทั้งหลายว่างจากสัตว์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 พันคำว่าสัจจะนี้หมายถึงปัญญาก็ได้ไม่ได้แปลว่าเฉพาะคําพูดเพราะสัจจะมีหลายอย่างไว้เช่นวจีสัจจะทิฏฐิสัจจะยานะสัจจะปรมตทสัจจะเป็นต้นเนี่ยคำว่าสัจจะมีหลายอย่างตรงนี้หมายความว่าอดทนก็เหมือนกันอดทนก็เป็นชื่อของปัญญาพราะเมื่อปัญญาเพ่งถึงความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลของสรรพสังขารทั้งหลายก็เพิ่มพูนคุณภาพของปัญญาอันนั้นเข้าไปอีกเพิ่มปริมาณแห่งปัญญาเช่นว่าเหมือนอย่างว่านะ